นันเป็นธรรมที่ทรงรูปพระจักภายในพระไทยเต็มจัดเต็มส่วนไม่มีอะไรบุกร่องโรงจึงแสดงได้อย่างไม่สะทุกสะทานแสดงได้อย่างองอาจกราหารพร้อมด้วยความเมตตาเต็มส่วนที่อยากที่จะให้สัตว์อยากจะให้สัตว์ทั้งหลายได้เข้าออเข้าใจในธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วทุกๆขั้นทุกตอน ท่านถึงเน้นหนักในการปฏิบัติในทำสามอย่างนี้แยกกันไม่ออกปริยัติบอกแล้วว่าให้ทำยังไงปฏิบัติก็ดาเนินตามที่สอนแล้วปฏิปฏิเวทหมายผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากปริยัติ ท, ที่ทรงอย่างทรงที่บอกแล้วในเวลาบวช เกษาลุมานาขานตัแต่จุนนั่นแหละคือบอกแล้วนี่นี่งานนะแล้วสถานที่ทํางานก็บอกอีกที่ไหนที่ทํางานงานอันนี้สะดวกที่สุดคือที่ไหนอันดับหนึ่งกับลูกขมูลนะลมไม้อันดับต่อไปต่อไปข้านขาบอกไปเรื่อยๆนะ น, นั้นอนตราอัตเลก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 มันไม่ทนันอะมากกว่าอะไรๆถ้าเป็นผลลบแล้วมันจะเชื่อได้ง่ายเชื่อได้ง่ายจะเป็นผลบวกเชื่อได้ยากนี่ผลลบคือเรื่องของกิเลสมันต่อยเอ า, าเปั๊บเนี่หลุดลอยไปเลยถ้าเป็นเรื่องของธรรมเนี่ยเกาะไม่ติดนี่และมันยากอยู่ตรงนี้ในเบื้องต้นคือมันเกาะยังไม่ติดนี่ต้องได้ใช้ความพิจารณาใช้ความพยายาม การพุทโธผลตนก็ต้องในสังเกตยอย่างที่ท่านพูดในสัพปายะนั่นไม่ใช่ไม่ใช่สัปปายะเพื่อถาดเพื่อขันหลักใหญ่คือสัปปายะเพื่อกิจตภาวนาสัปปายะคืออะไรบ้างอาหารสัปปายะนั่นพระองค์ทรงเหลือเฟือที่ไหนดูนี่เป็นกษัตริย์เสด็จออกทรงประหนวดมันก็เหมือนกับเทวดาตก จากสวรรค์ลงแดนนรกนั่นเองจะผิดอะไรไปนรสั์เสด็จออกทรงประหนดหาขอทานเขาเสเวยนั่นทุกขนาดไหนนั่นล่ะสัปปายะพระองค์ทรงได้ได้ตรัสรู้เพราะอาหารเหล่านี้นะแม่ได้ตรัสรู้อาหารในพระรา ช, ชวังนี่ก็เป็นสัปปายะอันหนึ่งที่เกะเกวรพิณิพิจนานะครูวาอาจารย์ทั้งหลาย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 มันดีที่ตรงนี้สบายสบายฉันมันก็ไม่ได้ฉันมากเพราะอาหารก็อย่างว่าจะพอฉันมากอะไรบางทีไม่มีอาหารมีมีแต่ข้าวเนี่ยจะเอาอะไรมาฉันมากล่ะมันก็กลายมาเป็นสัพปายะคือการนั่งภาวนาก็ไม่ง้องงวงคือไม่สรปประงกงกงานไม่กวนเรื่องหลับเรื่องนอนนั่งถ้าจิตเป็นทางด้านสมาธิก็ สงบแนวถ้าเป็นทางด้านปัญญาก็าพิจารณาคล่องตัวนั่นให้เห็นที่สมาธิพระพุทธเจ้าสอนไว้ที่ตรงไหนอที่อยู่ของสมาธิจริงๆที่อยู่ของปัญญาจริงๆที่อยู่ของมรรคผลนิพพานความหลุดพ้นจากกิเลสจริงๆอยู่อยู่ที่ไหนค้นหาให้เจอสิกิเลสมันอยู่ที่ไหนนั่นนี่แหละท่านสอนทุกบททุกบทสอนลงตรงนี้นะให้ค้นให้หาเห็นทำเหล่านี้นะ่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน สถานที่ที่เหมาะสมสําหรับทําเหล่านี้สะดวกส uh. ําหรับทําเหล่านี้ก็บอกหมดหนี่อาหารเป็นความสะดวกสําหรับทํำเหล่านี้ก็บอกอาหารสปายะเนี่ยอุตุสปายะเราก็หาอากาศที่พอเหมาะสมกับเราทั่งนั้นอุตุสปายะยินฟ้าอากาศบางที่เหมาะสมไม่ทึบเช่นอย่างในเขาในถ้ำเนี่ยก็ไม่ใช่ถ้าทึบๆโล่งอยู่สะดวกสบายเช่นอย่างอพภาคท่นว่าอพภาศนั่นคือเป็นความสะดวกสบายมากล่ะ เป็นการเปลี่นเวลาเึ่งในกลางค่ำเมืองคืนพระกรรมาฐานในวงเราทุกวันนี่เลนไปหานั่งพอนาอ ย, อยู่หินดานหินดานเป็นหินดานก็หินพลานอะไร ว, ว่าเหมือนกระดานเนี่ยเล่นไปหานั่งพอนา ย, อยกลางแจ้งเงียบเงียบสบายนั่นกาคืนเงียบเอาที่นี่เสือจะมาทางไหนล่ะก็มันไปอยู่ในดวงของมันเนี่ยนั่นละ่ะเราจะเห็น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 พ ร, ระพุทธเจ้าทรงได้รับความสัจจันทร์มาแล้วจากวิธีการเหล่านี้นี่นดี๋เราให้ค้นหาสิสมาธิอยู่ที่ไหนก็ให้ได้จะได้เห็น อ, อ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้ให้มันชัดในหัวใจเจ้าของสิปัญญาอปัญญาขั้นใดไม่ต้องบอกไม่ไม่ต้องถามใครละหลงได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วเป็นสันติโกสันติโกเรื่อยไปยท่านหาความสะดวกสบายสบายให้สบายให้ใหปุคลาสปายะเพื่อนฝูง ไม่ขัดไม่แย้งกันเรื่องทิฏฐิมานะการประพฤติปฏิบัติรงรอยกันเพื่ออัดเพื่อทําด้วยกั น, นคําว่าปุคละสปปาสปายะจะหมายถึงอะไรเป็นส่วนมากก็หมายถึงเพื่อนฝูงที่ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันนั่นแหละเป็นสําคัญประชา ช, โชนโยมมีเป็นบางการบางเวลาเท่านั้นไม่สําคัญยิ่งกว่าปุคละสปปาสปายะคือเพื่อนอันเดียวกันนี่สําคัญมากอ น, นบ้าไว้กี่อย่างละ่ะอาหารส ป, ปรยายะก็พูดแลด้วตะกินนี้ อุตสุาัพะยะกักระพู่แล้วเช่นอาว่าสัพปะยะที่อยู่ที่อยู่ที่ไหนก็ท่านก็บอกไว้แล้วลูกมูลเป็นที่หนึ่งจากนั่งเปน็นอันดับสองอันดับสามไปนี่มีแต่คำว่าสัพปะยะัะยะคือความสะดวกสบายสำหรับการบำเพ็ญ น, นะไม่ใช่สะดวกสบายในการหลับการนอนการแบบอยู่แบบโลกโลกเขา นี่อยู่เราอยู่แบบธรรมอริยบททั้งสี่เป็นอริยบทของนักบวชแบบธรรมเราจึงต้องได้อยู่แบบนี้นี่แหละการที่จะมาอยู่แบบนี้มาทําแบบนี้ต้องพินิตรพิจารณาพระาว่าท์ของพระเจ้าให้ถึงใจนะอย่าสักแต่ว่าฟังอยู่เฉยๆฟังอยูเฉอๆมันไม่ถึงใจพระเจ้าทรงแสดงแก่โลกแสดงด้วยความถึงพระทัยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นๆนี่พวกเราฟังมันฟังแบบเล่นๆคนหนึ่งพยายามเอาน้ําเทลงในหม้อของเรา มอ้น้ําเหราอุ้คว่ำลงเอาก้นขึ้นมันเอาอะไรมาเทถึงไม่ก็ไม่เข้าเอาน้ามหาส ม, มุทรมาเทมันก็ไหลออกหมดมันจะทําอะไรที่ตรงไหนจะเลยทำพระพุทธเจ้าไปแต่เทม่ไมไ ม, ไม่มีอะไรรับมันก็อย่างนั้นแหะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยพากันตั้งอกตั้งใจมพคุย ป, ปฏิบัติขอให้สังเกตร่องรอยพระองค์ให้ดีนะสังเกตร่องรอยพระพุทธเจ้านั้นแนหะสําคัญร่องรอยที่ที่านแสดงไว้คืออะไรทํา ทุกบททุกบาทวินัยก็ให้เขาลบธรรมก็ให้เขารบทุกบททุบบาทใช้ความทั้งเกียรตด้วยดีนั่นแหละเราจะไม่ผิดหวังหรอกจะเจอความจริงที่พระุทธเจา้าทรงเจืออมาแล้วโดยไม่ต้องสงสัย ว, วันนี้ขอแสดงเพียงเท่านี้เอาล่ะขอความสวัดีจงมีเจริญตลอดทุกๆองค์เอาละน ะ, ะเป็นเกีตเป็นอาวาสที่พระอาวาสเอง มายที่เกียกําแพงคำพันษาคำมาคบไกรมาสก็คืออยู่จำมันษาไม่ไปไหนมาไหนแรมวันแรมคืนนอกจากมีเหตุจำเป็นที่ควรจะสัตตากรณียกิจนี่ยกิจที่ควรจะทาจะไปไปได้ภาในเจ็ดวันแปลอปออก็วันะ ไปอย่างแบบพระองค์ไหนที่สององค์ไปวัดนี่นั่นมันแบบบ้านั่นไม่ใช่แบบพระผู้มีหลักธรรมหลักวินัยนั่นะมันเป็นโคโลโกโซโแปงนันแหะพระทุกวันนี้ยิ่งเลอะเถอะยิ่งเลอะเลอะเถอะเถอะไปมากเดียวในวงปฏิบัติของเรานี้ มันเห็นตำตาอยู่นี่อยู่วางเลยไปยินเต็มหูมันจะผิดไปไหนหลักธรรมหลักวินัยก็ต่างควรต่างเรียนมาอันไหนมันเขวไปจากหลักธรรมหลักวินยัยมากน้อยมันต้องรู้นับวันไปแล้วนะเลียวลงไปเลียวลงไปแหลมลงไป ในการปฏิบัติจากความสนใจที่มีในอัดในธรรมนั้นน้อยลงไปทุกทีทุกทีเพราะฉะนั้นกิริยาที่แสดงออกจึงสแสลงกับธรรมอยู่เรื่อยมาและนับวันที่จะหนักขึ้นไปเรื่อยๆรครูวาอาจารย์ผู้ให้ การแนะนําสั่งสอนสั่งสอนด้วยความเต็ม อ, อกเต็มใจด้วยความเมตตาจริงๆผมพูดจริงๆอย่างที่ผมสั่งสอนหมู่เพื่อนผมไม่ได้มีอะไรกับหมู่กับเพื่อนอาจจะหวังพึ่งพิงอิงอาศัยอะไรมันก็ไม่ปรากฏภายในจิตใจแต่ไม่ได้ประมาทผู้ตามความรู้สึกแต่การแนะนําสั่งสอนนั้นสั่งสอนด้วยความเมตตาและความสงสารอันนี้มีข้อเทียบเทียงอยู่แล้ว ดังที่เคยได้เล่าให้ฟังเรื่องครูอาจารย์เป็นสิ่งสำคัญมากในการที่จะดำเนินในข้อวัดปฏิบัติการศึกษา เ, าเรียนมาจากตำลับตำลาก็ยอมรับว่าได้ศึกษามาด้วยกันแต่เมื่อไม่มีผู้พาดำเนินมันก็ต้องเก็เก้อเขินเขินสงสัยสนเทหาหลักหาเกณยึดไม่ได้ ก็เลยกลายเป็นโลเลไป ท, ทั้งที่ก็เรียนมาหลักธรรมหลักวินยัยข้อไหนข้อไหนก็ได้ศึกษาเราเรียนเข้าใจาแต่เวลาจะนำมาปฏิบัติเมื่อไม่มีผู้นำผู้พาดำเนินก็ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะพอเหมาะกอควรนะยกตัวอย่างเช่นทุโดงขวัตนะทุโธงสิบสามข้ออันว่าถือผ้าบางสกุล ชักผ้าบางสกุลที่เขามาถวายนี่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านกับพาดาเนินมาเห็นอย่างประจักษ์เราไปอยู่กับท่านเราดูจริงๆด้วยความสนใจทุกแง่ทุกมุมอากัปกิริยาของท่านที่แสดงออกในแง่ใดส่วนใดที่เราอยู่ที่นั่นเราต้องดูต้องสังเกตอยู่ทุกระยะระยะเพื่อจะนำมาเป็นคติ หรือปลูกจิตใจของเราให้มีกำลังทางด้านประพุทธปฏิบัติมีความหนักแน่นมากขึ้นอนะันชบบนาบมรุคุณเราก็เห็นเราก็ดูบินทบาทเป็นวัดท่านเป็นผู้บินทบาทอยู่แล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจชี้คล้านนั่นจึงเรียกว่าบินทบาทเป็นวัดถ้าเมื่อยังมีการขบการฉันอยู่ก็ต้องไปบินทบาท นอกจากเจ็บไข้ได้ป่วยแต่สำหรับเราเองที่เคยปฏิบัติมาแต่ก่อนถ้าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปและไม่ต้องกินนี่มันเป็นกรณีพิเศษของแต่ละประรายหลายๆที่เห็นว่าเป็นความเหมาะสมแก่ตัวเองจะพึงปฏิบัติอย่างไรทั้งเราเราเองเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นมา เ, เหลเวก็เรียกว่าเรียนเรียกว่าเหลวหรือเหลวก็มาเหลวในระยะนี้เหลวในระยะที่เก็บไข้ได้ป่วยดังที่เป็นไข้หรือเป็นอะไรจากนครนายกถ้ำจริการมานั้นการเจ็บไข้ประเภทนี้เราก็ไม่เคยไม่เคยเป็นมาเลยจะว่าไข้หวัดใหญ่เราก็เคยเป็นอยู่แล้วไม่ได้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอะไรก็ไม่ทราบ ฉันไม่ได้นี่สุดท้ายก็ข้าวไม่เอาฉันได้แต่กลับก็ต้องได้ปล่อยทิ้งบาทซึ่งไม่เคยเลยนะเราไม่เคยเป็นมาอย่างนันต้องฉันกับถ้วยกับจานไปอย่างนั้นข้าวกขาันไม่ได้ฉันแต่กลับฉันแต่โจ๊กอะไรไปนี่ก็ก็ทราบในเรื่องความที่ปล่อย เอาเนยใส่ในบาทก็ไม่สามารถจะฉันยังไงกม็มันฉันไม่ได้นี่ข้าวอย่างนี้ไม่ได้เลยนอกจากฉันจะกลับกับโจกกลับอะไรไปเท่านั้นนี่ก็เราก็ทราบแตธรรมดาเราไม่เคยแม้แต่จะเอาอะไรเป็นสองเจอกับถ้วยกับจานอย่างนี้เราก็ไม่เคยตงตไทนายอะไรมาก็เพิ่งมาเป็นนะ ตอนเท่าแก่มาเนี้ยอนุโลมตามทา่าตามขันเช่นสดนั่นสดนี้อะไรอย่างนี้ยินทีก็ชดชดด้วยช้อนบ้างอะไรบ้างก็ทําแต่ก่อนไม่เอาจริงๆเด็ดขาดเลยทีเดียวไม่แตะดัดอยู่ในหัวใจเจ้าของให้เป็นที่อบอุ่นตายใจของเจ้าของได้ทุกระยะเลยการปฏิบัติทูดงคขวัดได้สมัคทานอย่างใดแล้วก็เอาให้มั่นคงให้เป็น ที่อบอุ่นภายในตัวเองจริงๆว่าเราได้สมรทานทุดงข้อนั้นๆเนี่ยแต่ทุกวันนี้ก็ธาตขันเป็นอย่างที่ว่านั่นดังที่เห็นเห็นว่าอะไรฉันได้หน่อยมันก็พอทรงทาตทรงขันไปพอสดกระสดบ้างอะไรบ้างอยู่ตามถ้วยตามจามอะไรดังที่หมู่เพื่อนเห็นนั่นแหละยิ่งแต่ก่อนเราไม่เคยเลยแล้วแต่ว่าขาดจริงๆเรื่องเหล่านี้มัก ติดต่อกันไม่ได้อะไรจะเป็นสองกับสิ่งใดอย่ี้ไม่มีว่าบาทก็บาทอันเดียวมีอะไรลงนั้นในนั้นหมดไม่เห็นมีเงื่อนเหลืออยู่เลยเป็นฉันในช่วยในจาริกจับใจนี้ไม่เคยเมื่อได้ไปเห็นครูบาอาจารย์พารำเนินแล้วมันเป็นที่ลงใจลยืดทันทีนะมุธดงวัดมีแต่เครื่องชำระก็เลสความโลภ ยีเหล่ตัเภทต่างๆมีเต็มไปหมดแต่ไม่ไม่พ้นจากทุดงควัตทั้งยี่สาข้อนี้เลยที่จะคาจัดยิเหล่ทั้งหลายเหล่านั้นได้การทักภาพบางสกุลครข้างพุทธการท่านทักเอาตามของเสษของเดนินที่เขาทิ้งอยู่ตามถนนทางจริงๆทั้นต่อมาเขามีศรัทธายาโยมเท่าไหวเป็นชิ้นเป็นอันเป็น ผ้าอย่างนี้ดีๆอย่างที่เราเคยเห็นนั่นแหะจนกลายเป็นผ้าผับ ผ, ผ้าไม้เลื่อยมาจนตั้งตัวนี้นั่นเพื่อตัดความสวยความงามความโลเลโลกเลืกของพระของตัวเองให้เป็นทําตัวให้เป็นผ้าเหมือนผ้าเช็ดเท้าเหมือนผ้าขี้เหลีวให้มีคุณค่าภายในธรรมทาตัวให้เหมือนผ้าขี้เหลวนั่นก็คือก็คือการทํากิเลส ให้มันหมดคุณค่าลงไปยาให้มันแสดงลิ์แสดงเดียวอยู่ในทุกอากัปกิริยาที่แสดงออกนั้นเลยนั่นก็หมายว่าอย่างนั้นอยู่ในป่าบางทีทุ่งรงท่านบอกอยู่ในป่าเป็นวดัดนี่กับพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วเห็นคุณค่าเต็มพระไทยนำมาสั่งสอนบรรดาสาวกหรือภิกษุทั้งหลายก็สอนอย่างเน้นหนักสอนประจา ในการบวชเลยพอบวชแล้วก็บอกลุกขมูลเส้นสน่ะสินี่เป็นสถานที่ชั้นเอก ถ, ถ้าจะพูดเรื่องของพระองค์ก่นตถาคตเคยได้สำบุสำบันสละเป็นสาตายกับสถานที่นี้มาแล้วจนได้เป็นศาสดาเอกพูดไ ง, ไง่งๆไม่มีอะไรเป็นคู่เป็นคู่แข่งจึงเรียกว่าเอกคือมีอันเดียวเอกนั่นแปลว่าอันเดียวเท่านั้นก็เพราะสถานที่ในป่า อยู่ในป่าช้าเหล่านี้เป็นไม่ใช่เป็นสถานที่จะสั่งสมกิเลสแต่เป็นสถานที่จะกําจัดกิเลสลงโดยลำดับลาดาบทุโธงขวัตแต่ละข้อละข้อก็ไม่ต้องบรรยายไปมากเพราะต่างองค์ต่างก็เห็นแล้วมีความหมายเต็มตัวเต็มตัวทุกข้อเลยเพี่งเนสัชชิก็เหมือนกันเวลาจะอดหลับอดนอนไม่หลับไม่นอน มีอิรยาบุตรสามคือเดินจงกรมนั่งสมาธิยืนภาวนาไม่นอนเป็นคืนๆแล้วแต่เราจะตั้งสัจจะฐานลงได้กี่คืนเราก็ทำตามนั้นในขณะที่ตั้งสัจจะฐานเพื่อถือทุดงข้อนั้นก็มีเกจณาที่จะเร่งความภาคเปี่ยนของตนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมาให้จิตมันได้อรอด ไปโน้นไปนี้ด้วยการผูกลากถูกเข็นของกิเลสออกไปไปเหยียบย่าทําลายให้แหลกเฟ้วมามีแต่ความทุกข์อันเป็นผลซึ่งไม่เป็นสิ่งที่ปรารถนาเลยนั่นนทุดงแต่ละคอเป็นอย่างนั้นฉันมือเดียวก็เหมือนกันฉันมือเดียวไม่ต้องยุ่งกับอะไรเพราะฉันพอยังชีวิตให้เปลี่ยนไปนี้เท่านั้นไม่ใช่ันเพื่อความ ฟุเฟ้อห่มเป็นไปตามหน้าของจิตเด็เพื่อความสวยความงามความกำลัมีกำลังวังฉาอพอยังชีวิตให้เป็นไปเพื่อได้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นนั่นชันมือเดียวไม่เป็นกังวลนี่ก็จะหมดไปหมดไป เ, เรื่องทุดงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่พอแม่ครูอาจารย์ผ่านดำเนินมาแล้วทั้งนั้นพอไปเห็นท่านดำเนินก็ยึดเอายึดเอายึ ด, เ อ, ยดเอาเลย แล้ยึดยึดอย่างฝังใจฝังใจคือเป็นที่ตายใจเป็นที่แน่ใจว่าถูกต้องแล้วท่านพาดาเนินมานี้ไม่สงสัยเราจะปฏิบัติอย่างไรก็กกให้เต็มภูมิได้เต็มภูมิของเราไม่มีข้อข้องใจสงสัยในทุดงข้อนั้นๆที่ท่านพาดำเนินพาดาเนินมาแล้วนั่นมันก็เป็นที่ตายใจเมื่อมีครูมีอาจารย์คอยแนะนาสั่งสอนอยู่ยนั่นก็ความเพียรให้มีอยู่ทุกเวลาสตินั่น สัมปัชัญญาเนี่ยมีตั้งแต่เครื่องมือที่จะเตรียมฆ่ากิเลสทั้งนั้นรวมลงแล้วเข้าสู่ความเพียรเพียรให้มีสติเพียรตั้งสติเพียรใช้ปินิพจนาทางปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้ทำได้พระพุทธเจ้าทรงสุดพระองค์มาแล้วเต็มพระกำลังความสามารถจนได้ตรัสรู้นั้น จึงนั่นนาอุบายวิธีที่เป็นไปได้นี้มาสั่งสอนสัตว์โลกหรือสั่งสอนพวกภิกษุทั้งหลายให้ดําเนินตามให้ฝึกฝนจิตใจถ้าตามรลมดามันก็มีแต่รู้เท่านั้นแต่นี้มันไม่มีแต่เพียงรู้เท่านั้นสิสิ่งที่มันเด่นอยู่ในความรู้นั่นก็ได้แก่กิเลสมันฉุดมันลกเพราะรู้อย่างนั้นอยากเห็นอย่างนี้อยากสิ่งนั้นอยากสิ่งนี้ มีแต่ความอยากผลักดันอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เครือบที่แฝงอยู่ภายในใจกลับเป็นความเด่นบนหัวใจที่รู้นั้นเสียความรู้ก็เลยถูกความอยากอีกอั น, เ ป, นเป็นอำนาจของกิเลสมันครอบไปซะหมดเลยมีแต่กิเลสเต็มตัวภายในหัวใจแสดงออกอากับกิยาใดก็มีแต่แต่ธรรมชาตินี้ทํางานทำการไปเสีย นิเลศทํางานมันจะทําให้เพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างไรมันก็ทําเพื่อวัฏตะวณอือย่างอวัฏตะวณสามนั่นเองนิเลศ ส, สวัสเนี่ยขึ้นต้นกับว่ากิเลศ ส, สวัสดหรือนิเลศเป็นเหตุให้ทํากรรมอือิปากวัฏเนี่ยมันก็นว่นไปนั้นนิเรศเป็นเหตุให้ทํากรรม ทำกรรมแล้วก็เป็นผลดีผลชั่วการรับผลดีผลชั่ ว, ลลลวแล้วก็หมุนกันไปหมุนกันมากรรมมาวัดมีอยู่สามมีแต่เรื่องของกิเลสทำงานทำไม่ได้ทำเมื่อทาออกทำงานไม่ได้เรื่องของกิเลสทำงานมันก็ทำอยู่ในวัดตะวลนนี้ไม่ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นสัตว์โลก ที่อยู่ใต้อำนาจแห่งการทำงานของกิเลสจึงไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดรายใดที่จะหลุดพ้นจากในวัดตะวนสามนี้ไปได้เลยด้วยเหตุนี้จึงต้องมีธรรมข้แอแท็บจะเรียกว่าธรรมวัดก็ได้ข้อวัดปฏิบัติให้เป็นอัดเป็นธรรมเพื่อชำระจิตใจของตนใจก็มีความสงบใจท่าสงบแล้วก็เย็น ไม่ดีดไม่ดิน้นเมื่อเย็นขึ้นมาแล้วก็เห็นผ ล, ลก็จะได้ทําความพยายามให้หนักแน่นขึ้นไปกว่านั้นกว่านั้นจนท ะ, ทะลุออกทางด้านปัญญาความรู้ทางทางด้านปัญญาก็เป็นความรู้ที่แฝงเช่นเดียวกับกิเลสมันแฝงกิจนั่นแหละแต่มันแฝงไปทางดีคืออันที่ท่านถึงเรียกว่ามารนะสิ่งที่แฝงในกิต อันเป็นธรรมท่านเรียกว่ามากเพื่อชำระสิ่งที่แฝงอันหนึ่งที่เป็นสมุ ท, ทยัยเนี่ยชำระกันอยู่ในภายในนั้นด้วยความภาคเพียนของผู้บำเพ็ญของผู้ปฏิบัติทั้งหลายมเมื่อภาคเพียนอยู่โดยสม่ำเสมอชำระอยู่โดยสม่ำเสมออดอยู่ทนอยู่ต่อสู้กันอยู่โดยสม่ำเสมอสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยซึ่งเคยมีกาลังมากนั้นก็ค่อยลดตัวลงไปลดตัวลงไป อำนาจของธรรมมีมากขึ้นผลคือความสุขความเย็นใจทั้งฝ่ายสมาธิทั้งฝ่ายความสุขทางด้านปัญญาก็ปรากฏขึ้นได้เลยเลยเยิ่งเป็นสิ่งที่ให้ดูดดื่มให้พอใจในผล น, นั้นและซึมซาบไปถึงความภาคเพียรให้มีแก่ใจที่จะต้องดำเนินให้หนักแน่นหรือมั่นคงเข้มงวดกวดขันเข้าไป โดยลำดับดับยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ยิ่งกว่าที่เป็นอยู่จนกระทั่งกิเลสเบาลงเบาลงธรรมะหนักขึ้นหนักท่านชำระท่านชำระอย่างนั้นเราอย่าไปตื่นที่ตื่นโลกเขาเคยตื่นมาเท่าไรตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งปัจนนี้เป็นยังไงใจมันตื่นโลกมันเคยมีความชินมีความเฉลี่ยหลับ ตอบผลแห่งความตื่นนั่นอะไรบ้างมันไม่มีมันตื่นอยู่อย่างนี้ตลอดให้เป็นบ้าอยู่ตลอดอย่างนี้คห้เรื่องของกิเลสจะทำให้มีความเขี่อยหลับให้มีความจืดจางนี่ไม่มีติดตลอดติดตลอดถ้าไม่แก้ด้วยอัดด้วยทมนำธรรมเข้าไปแก้เพื่อรถของธรรมจะได้เป็นคู่แข่งในรถของกิเลสนั้น อันนั้นก็จะมีกําลังเบามีกําลังน้อยลงน้อยลงอันถึงลําบากลําบากอั น, นความลําบากลําบากกับกิเลสมาจับยัดใส่มือให้เสียในงานว่าลําบากนั้นทั้งๆที่เป็นเรื่องของกิเลสนะมันทําให้ลําบากลําบนในการต่อสู้กับมันหีดขวางมันต้านทานมันมีตั้ง เป็นทุกข์เพราะต่อสู้กับมันทำรรจะต่อสู้กับท่านผลกลไกอะเมื่อเข้าถึงควรขั้นที่ควรจะสงบก็สงบขั้นถึงควรที่จะฉลาดก็ฉลาดเรื่องของธรรมไม่เป็นพิเป็นภัยต่อผู้ใดอันตัวที่มันจีดมันขวางทางเดินเพื่อเข้าสู่อัจสูิยธรรมเข้าสู่สมถะความสงบและวิปัสสนาความรู้แจ้งจริงๆมันมีแต่เรื่องของยิเลสทั้งนั้นมันจีดมันขวางอยู่ทุกข์ อาการของกิจที่เคลื่อนไหวออกมาเพื่ออัดเพื่อทำจะต้องถูกขีดถูกขวางการถูกกีดถูกขวางนั่นแหละมันเป็นความทุกข์ต่อสู้กันความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้กันกิเลสมันเหนือเรามันฉลาดกว่าเรามันก็โยนให้เราเสียว่าการปฏิบัติธรรมลำบากนุ่นไปทิ้งให้ทําเป็นโทษเป็นกรรมไปเสียกิเลสตัวเป็นโทษที่สุดในโลกอันนี้ไม่มีอะไรเกินกิเลสมันกลับไม่เห็นตัวมันเสียนี่สิ ผู้ปฏิบัติเรามันถึงโง่ไม่ว่าอะไรล่ะชาวพุทธเราว่างั้นเลยโง่ต่อกิเลสประเภทเหล่านี้มานานแสนนานไม่อาจสามารถที่จะลึกได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาปลอมขึ้นมาหลอกลวงเราให้เป็นเหมือนกับของจริงปิดกั้นความจริงคือทรรมทั้งหลายไว้ไม่ให้อยากทาเพราะทำยากนั่นความทำยากคือเรื่องของกิเลสแท้ๆแต่มันกลับกลายเป็น ไปให้โทษแก่ธรรมเดียวการบำเพ็ญธรรมนั้นยากยากเหมือนธรรมนี้เป็นค่าศึกษาดูต่อโลกต่อทุกสารนี่เรศเป็นคุณต่อโลกไปเสียนี่มันเป็นอย่างนี้เี่ยถึงลำบากในการปฏิบัติอัดธรรมทั้งหลา ย, ยานี่ยังได้เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังสิ่งเหล่า น, นี้ก็ไม่เคยรู้แต่ก่อนเวลาปฏิบัติไปมันเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปมันนั่งรู้เองรู้เองรู้เอง ไม่มีใครบอกก็รู้เป็นสันติโกเพราะธรรมะของพระพุเจ้าเปิดทางในในทางที่ถูกในทางที่จะให้รู้ให้เห็นกิเลสในทางที่จะให้ฆ่ากิเลสอยู่แล้วเมื่อดำเนินตามสายธรรมสายทางแห่งธรรมนั้นแล้วทาไมจะไม่เจอสิ่งเหล่านี้ที่มันขวางอัดขวางทำอยู่มากน้อยหรือหนาบางขนาดใดต้องรู้ต้องเห็นต้องได้ปัดได้เหวี่ยงกันไปโดยลำดับจนกระทั่ง กิเลสพังลงจากหัวใจเสียหมดไม่มีอันใดเหลือเลยเราก็ยิ่งเห็นได้ชัดเต็มรอยเปอร์เซนเลยว่าการจีดขวางทั้งหลายแหล่นั้นมีแต่เรื่องของกิเลส ท, ทั้งมวล น, นั่นเมื่อเข้าถึงธรรมล้วนๆแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นค่าสิทธิอยู่ในวงธรรมนั้นเมื่อกิเลสซิ่งซ้าลงไปแล้วนั่นจึงได้เห็นชัดว่ากิเลสเท่านั้นเป็นค่าสิทธิต่อการบําเพ็ญ ยิย่งเด็ดเท่านั้นไปเอาโทษไปทุ่มลงใส่ใสใสทําให้ทำกลายเป็นโทษไม่อยากจะให้สัตว์ทั้งหลายได้ดําเนินเข้าไปเพราะถือว่าเป็นความยากความลำบากในขณะเดียวกันเท่ากับว่าถือทำนั้นเป็นฆ่าสิบแล้วกลายเป็นถือกิเลสเป็นคุณไปเสียเดินรู้จิตัวนี่แหละความละเอียดของมันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติไปยังไงก็ไม่พ้นที่จะเห็นจะรู้อย่างนี้เมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วทําไมจะพูดไม่ได้ ตอนที่เราไม่เห็นเราก็เอาอะไรมาพูดมันไม่รู้มันจะจูงจมูกไปไหนก็ไปตามมันจูงไปละเรื่อของกิเลสประเภทนี้จูงแบบหนึ่งประเภทนี้จูงแบบหนึ่งจูงแบบต่างๆกันไม่ซ้ำรอยกันแหละแต่มันซ้ำในในสิ่งที่เป็ น, เ, นเชน่นรักมันเคยรักมาเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นความเกลียดหลาบชังชังมาเท่าไหร่มันก็ไม่เกียดหลาเนี่ยตาหูจมูกทิ้นกายสัมผัสสิ่งใดมันสัมผัสคนละ ดังนี้ลดทางแต่รวมแล้วก็เป็นลายได้ของพิเดสเข้ามาสูรหัวใจทับหัวใจอันเดียวกันนี่แหละเราไม่รู้ตอนที่ไม่สามารถไม่รู้จริงๆต่อเมื่อได้บุกเบิกเข้าไปบุกเบิเข้าไ ป, าไปสติปัญญาเป็นสำคัญมากในการประกอบความภาคเียนนี่จริงไม่ว่าจะเทศพูดเรื่องอะไรก็ตามจะไม่นอกเหนือจากสติปัญญาหรือข้ามสติปัญญาไปได้เลย ข้ามไม่ได้เพราะเป็นธรรมจำเป็นมากที่สุดย่งเด็กกระดิกเท่านั้นสติรู้แล้วนั่นสติจะไม่จำเป็นอยางไงถ้าไม่สติถ้าไม่ถาสติไม่กระดิกตัวไม่มีสติแล้วมันเหยียบจนแหลกก็ไม่รู้ก็มีแต่ความทุกข์ความลำบากความทรมานใจโดยหาทางออกไม่ได้เท่านั้นเองต่อเมื่อสติมีพอขยับ พอก็ะดิกเท่านั้นรู้แล้วทันแล้วนั่นจุดของของโทษมันขึ้นมาถึงไหนโทษมันขึ้นมาจากความกระเพื่อมของจิตกระเพื่อมสู่อารมณ์ใดน่สติตามรู้ตามเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วปัญญาก็ฝฟาดฟันเข้าไปสองหมัดสามหมัดอาวุธศาสตราอาวุธฟันไม่หยุดไม่ถอยฟันด้วยความผากเพียรฟันด้วยความอดความทนต่อสู้ไม่ถอยสุดท้ายมันก็พังจนได้ ทีนี้มันจะไม่รู้ยังไงเมื่อมันพังไปแล้วมันไม่มีอะไรมากีดมาขวางอย่าอยู่ทั้งวันตั้งกลับตั้งการมันก็เป็นหลักธรรมชาติของจิต ท, ที่บริสุทธิ์นี่แล้วเท่านั้นในเมื่อมีขันธ์อยู่ก็เป็นธรรมชาติของจิต ท, ที่บริสุทธิ์อยู่ด้วยลําพังตัวเองเท่านั้นไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเข้อกิเลสหมดไปแล้วนัดจะอะไรมาเป็นกิเลสอีกเพะเมื่อมันสิ้นซากไปจริงๆแล้วคนมันก็ไม่เจอไม่ไม่มีแล้วจะไปสนใจคนอะไรก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มี ค้นหาอะไรหาของไม่มีเนี่ยเมื่อมันมีมากมีน้อยมันก็ขวางให้เห็นอยู่นั่นเหมือนกับเสี้ยนกับน้ํามันหรือผงเข้าตาเราเนะ่ยละเอียดขนาดไหนมันก็เห็นจะชัดรู้จะชัดอยู่นั่นภายในตาของเราละเอียดขนาดนั้นมันก็รู้ตามความละเอียดของอวัยวะเราที่จะรับสัมผัสซึ่งกันและกันได้นี่เรื่องของกินตนากาว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเมันพ้นสติปัญญาประเภทต่างนั้นๆไปไมาได้เพราะสติปัญญาก็มีหลายพระเ สติถึงขั้นมหาสติแล้วเพียงไกลที่สุดด้วยเร็วที่สุดไม่มีอะไรเกินปัญญาก็เหมือนกันไปพร้อมๆกันเลยเมื่อถึงขั้นกลมคืนเป็นอันเดียวกันแล้วแยกแยากนะว่าสติเป็นไงปัญญาเป็นไงมั้นกลมคืนเป็นอันเดียวกันกระเทือนถึงกันถึงกันทันทีทันทีเลยเมื่อมันยังไม่เป็นสติไม่เป็นปัญญานี่จึงลำบากฟื้นเท่าไรมันก็ไม่ตื่นปลุกเท่าไรมก็ไม่ตื่นตั้งท่าขึ้นมาชั่วไม่ไม่ถึง สมวินาทีมันก็เผลอไปแล้วไม่ถึงหวินาทีก็เผลอไปแล้วความเผลอไปมากน้อยเพียงไรระยะใดนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าทํางานกิเลสเข้าตบเข้าตีเข้าเข้าทำลายทั้งนั้นไม่ใช่มันเผลอไปตามธรรมดาของหมันมันเผลอด้วยมีสิ่งมาตบมาต่อยมาทุบมาตีมาเหยียบย่ําทําลายให้มันให้มันล้มเหลวไปนั่นเราก็ไม่รู้อันอย่างนี้ าสติยังไม่มีกำลังพอตัวมันตั้งได้อ ะ, อะไรจะมาทำสติให้เผอมันมีกำลังกล้า ก, กว่าทุกสิ่งทุกอย่างเช่นอย่างกิเลสมันก็มีกำลังกล้าขวงมันอยู่แล้วนั่นนอกจากกิเลสจะหมอบเท่านั้นเองมันจะมันจะมาต่อสู้แบบหึกหานเหมือนอย่างอตอนกิเลสขั้นห ย, ยาบสติปัญญาขั้นห ย, ยาบนั้นมันไม่ได้อย่างนั้น เพราะถึงขั้นมันมันเร็วมันเร็วถ้าเป็นมีดก็คมกล้าที่สุดไม่มีอะไรเกินสติปัญญาขั้นนี้สติปัญญาขั้นนี้แหละที่เคยกล่าวเสมอว่าขั้นที่สังหารกิเลสมีเท่าไรเป็นพังหมดนับวันนับเวลาได้เลยเป็นที่แน่ใจตลอดแม้จะยังไม่สิ้นก็แน่ใจว่าจะสิ้นสิ้นในในไม่ช้าในไม่ช้าเลยนั่น เมื่อถึงขั้นมันแน่มันแน่อย่างนั้นการปฏิบัติธรรมเนี้ยขั้นมันกิเลสเนียมนานมากมันก็ยากละสิเพราะกิเลสกำลังมันมากกว่าเราทำยังไงก็มีคอยจะไงยงาย ง, ายงายอย่างนั้นให้ถูกกิเลสตกกิเลสต่อหนี่วงกรรมฐานค่อยหมดไปหมดไป น, นี่ตกเหมือนกันถ้าพูดถึงทั่วๆไป ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายต้องพึ่งต้องอาศัยกันอาศัยอัดอาศัยทำอาศัยครัวอาศัยจานอาศัยพระอาศัยเนนหรือพระเนนจะต้องอาศัยอัธรรมทั้งหลายแล้วสิ่งที่อาศัยเหล่านั้นไม่ค่อยจะมีอยู่ภายในจิตใจนอกจากสิ่งทําลายมากกว่าเข้าทําลายจิตใจนี่จะมันน่าทุเล่นะนอลองดูไปที่ไหนที่ไหนมันมีถึงแต่ถละเลถลายถลเเลถลายเพราะอํานาจของกิเลสฉุดลากไป ยังภูมิใจในความฉุดลากของกิเลสไปสีอีกโดยไม่รู้สึกตัวเลยนี่สิมันสำคัญมากผู้ปฏิบัติเราเมื่อสติหรือปัญญาขั้นละเอียดกว่านี้ไม่มีต้องยอมตนเป็นอย่างนั้นโดยไม่รู้สึกตัวเลยจนกว่าสติปัญญามันแก้วกล้าสามารถนั้นแหละสิ่งนนี้ถึงจะมาผ่านไม่ได้ผ่านก็เป็นขาดสะบั้นไปเลย นี่นับบันหมดไปหมดไปวัดกษสักแต่ว่าวัดพระก็สั์แต่ว่าพระการประกอบความภาคเลียรไม่มีความส น, สนใจว่าเป็นกิจการงานของตนทะเลถลายไปภายนอกแต่เรื่องความอยากนี่มันเต็มหัวใจนะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้นีเนนน่เต็ม ท่วมทนอยู่ภายในจิตใจไม่มีวันบุกบางเลยถ้าไม่นำทมเข้าไปต่อสู้ต้านทานกันจริงๆแล้วอย่างไงก็ไม่เห็นของดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ของเลิศที่พระทเจ้าทรงสอนไว้มันอยู่ที่ตรงไหนเพราะถูกปิดถูกหุ้ม ห, อห่อไปจนมิดตัวมองไม่เห็นเลยธรรมชาติี่ว่าเลิศเลิศนั้ น, นฟังสิอันนี้ก็เคยพูดให้ฟังแล้ว เวลาชำระจิตลงไปถึงขั้นละเอียดละเอียดกิดเลสนั้นมาเป็นตัวเลิอดบางนะบางธรรมชาติอันเลิศอย่างแท้จริงไว้ไว้เราไม่รู้นี่เ<ฮ>พราะตอนนี้ก็ดีขั้นนี้ก็ดีดีไปดีไปกิเลสมันแฝงไปด้วยแฝงไปด้วยถ้าสติปัญญาเราไม่ทันเราก็ไม่ดูก็ว่าอันนี้เลิอดอั น, นเลิอดมันเลิอดในเรื่องของกิเลสไปเสียมันไม่เลิอดในเรื่องของธรรมเนี่ยกตัวอย่างที่ที่ว่าจิตสงสัยคืออวิชชานั่นแหละความฝ่องใสมันก็ไปคร่าวเอาไว้เสีย ก็เห็นว่าอันนี้เลือดอันนี้ประเสริฐอัศจรรย์อ้ออิงอยู่กับอันนี้โดยไม่รู้สึกตัวเสียนั่นเป็นยังไงเรื่องของกิเลสมันเก่งไหมละเอียดไหมไม่ทันมันนะ่ะมันติดมันจนมากหลงมันจะไหนไม่หลงติดได้ยังไงไม่หลงยึดได้ไงยึดสีไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องเพราะสงวนเพราะรักเนี่ยเพราะติดเนี่ยนั่นเห็นไหมมันครอบเอาจนได้นะ ความจริงอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นของเลิอของบระเสริฐมันสิ่งหลอกลวงต่างหากแน่ถ้าพิจารณาเทียบกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นแล้วอันนี้คือสิ่งหลอกลวงไม่เห็นความจริงมันปิดเอาไว้จนสุดความสามารถของมันนั่แหละมันถึงจะเปิดออกมันถึงจะปล่อยตัวพื้นปล่อยจิตเมื่อธรรมชาตินิพถูกทติปัญญาสลัดปรับลงออกโดยสิ้นเชิงแล้ว อันนั้นประเสริฐขนาดไหนนั่นเอาอะไรมาเทียบที่นี่อันน่นะเอโกโมโมหมายถึงธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้นั่นแหละทนว่าเอโกโทโมคือว่ารมขั้นเอกเอกแล้วนั่นไม่มีอะไรก่อนที่จะถึงนั่นเลยที่ถูกสิง ปลอมๆ อ, อย่างละเอียดมันไปเครือบไว้ใหซะจนเกิดความมหัศจรรย์จนได้นั่นน่ะเห็นไหมละเอียดไหมเอาไปนิ่มจะได้ยินแต่คําว่าละคําที่ท่านแสดงไว้ในอัดในตําลับตำลาหรือเทพก็จะหมดไปในในไม่ช้า้องหมดไปก็จะเหลือแต่ตําลับตําราที่เป็นพิมพ์เป็นตัวหนังสือไว้ เนี่ยก็จะมีแต่ชื่อของกิเลสของธรรมมีแต่ชื่อของมะผลิพานตัวจริงของสิ่งเหล่านี้จะไม่ปรากฏเพราะไม่มีผู้สนใจถูกกิเลสมันเหยียบย่าทำลายเพราะอํานาจของมันหนาและมากกว่าทำให้ลืมเนื้อลืมตัวไปเสียวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ทราบว่าอยู่กับอะไรอีนาเิย ความจริงมืดกับแจ้งนี่มีมานานเท่าไหร่แล้วนี่ขีกับขีกกันมันมีมืดกับแจ้งมืดกับแจ้งอยู่เท่านี้เท่านี้เองสิ่งใดที่จะสัมผัสสัมพันธ์กับอายทนะของเรามัน ก, ก็ก็เป็นจิตเป็นผู้ให้ความหมายเจอไม่เจอเห็นไม่เห็นดูไม่ดูฟังไม่ฟังสิ่งอย่างนั้นก็มีก็เป็นอยู่ตามหลักธรรมชาติทั้งมันตัวมันเองก็ไม่ทราบความหมายของตัวเองเลยแต่จิตผู้นี้เองเป็นผู้ ไปได้ยินเนีฟังไปสัมผัสสัมพั์แล้วก็สร้างความหมายขึ้นมาไม่ได้หลงอะไรก็หลงความหมายตัวเองกับเอาโดยเอาอาศัยนั้นมาเป็นสินพาดพิงกันนั่นเองก็เป็นทำมาลมติดอยู่ภายในนั่นเลยอย่งางแนบสนิทแไม่ออกแล้วไม่รู้จะกแก้วิธีไหนนี่มันลำบากอย่างนี้ก็ไมทราบจะตื่นไปเลยปีนาดูแล้วไม่มี ที่จะตึ่นฟังที่ว่า ด, ดินเนี่ยน้ำลมไฟผิดขึ้นมาอะไรก็ออกมาจากธาตุเดิมของเขาก็มาสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้ความหมายว่าอันนั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นนี้อันนั้นดีอย่างนั้นอันนี้ดีอยังงั้นว่าแต่ก็ผู้นี้เป็นผู้สร้างความหมายให้หลอกเจ้าของถ้าผู้นี้เป็นตัวดีซะจริงๆ ตามหลักธรรมที่พุทเจ้าทรงสอนไว้และเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่ดีจริงๆจากการทำละให้เต็มภูมิแล้วอะไรมันจะไปเสถหาอะไรอะไรจะเลิศยิ่งกว่านี้ือในสามแดนโลกธาตุที่ขึ้นชื่อว่าสมมุตินี้สมมุติตัวใดอันใดที่จะเลิศยิ่งกว่าหลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้นั่นแหละท่านถึงไม่เสกท่านถึงไม่ เ, มเสกสรรปัญญย่ว่านั้นดี น, นี่ดีพอจะประติดอยงนั้นติดอยงนี้เพราะไม่มีอะไรที่จะเหนือ หรือเป็นคู่แข่งอันนี้ไปได้อันนี้พอตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วนะฟังสิจะไปเอาอะไรอีกความพอแล้วนะนีก็เหมือนอย่างน้ําเต็มแก้วนี่เมื่อพอแล้วเอาน้ําอะไรมาใส่มันก็เท่านั้นเองนี่เมื่อจิตได้พอตัวแล้วกับหลับธรรมชาติที่เป็นทำเป็นทำพอตัวนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรเกินพอที่จะไปไปยึดไปเอื้อมจับนั่นจับนี่ยึดนั่นยึดนี่เข้ามาเป็นคู่แข่งของธรรมชาตินี้ พอธรรมชาตินี้พอแล้วพอดีพอดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเกินอันนี้เลยแน่ละ่ะทำที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านสัมผัสท่านทราบท่านเป็นเจ้าของท่านจึเป็นเจ้าของ ท, เ, เ, องทเหล่านี้ใครจะไปคาดไปหมายใครจะไปเดาได้อันนี้เดาไม่ได้ถึงจะออกมาเป็นศรรัพท์ตปนบาลีหรือเป็นคําแปลเป็นชื่อเป็นเสียงก็าตามก็สักทแต่ชื่อเท่านั้นเองหลักธรรมชาติ น, นั้นจริงๆจิต ถ้าไม่สิ้นกิเลสแล้วจะสัมผัสกันไม่ได้จะรู้กันไม่ได้เห็นกันไม่ได้ทรงกันไม่ได้น่ะแน่ใจต่อธรรมชาตินั้นหรือตายใจกับธรรมชาตินั้นไม่ได้นี่ น, นั้นเป็ น, ปนสิ่งเฉพาะของผู้บริสุทธิ์นั่นคจิตบริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นมั น, นไม่ได้เหมือนอะไรไอเวทนาที่เป็นอยู่ในขันห้านี้มันอยู่ผิวผิวเผลนเผลนนี่เช่นทุกขเวทนามีอยู่ตามร่างกายนี้ ส่วนจิตนั้นมันบัรรลัยไปตั้งแต่ขณะที่กิเลสสิ้นสร้ากไปแล้วนั่นเอาอะไรไปเป็นเวทนาในจิตเวทนาในจิตของพระอรหันต์ท่านไม่มีเอาอะไรไปมีอืมขาดสะบั้นออกหมดแล้วขึ้นชื่อว่าสมมุติเวทนานั่นก็เป็นสมมุติจะเอไปเข้ากับวิมุตต์ได้อย่างไรจิตแต่วิมุตต์ไม่เข้ากับสมมุตินะ่ะเป็นหลักธรรมาชาตินี่จะเอาไอะไรไปเทียบเคียงสุขของท่านประมังสุขขงังประลองขังถ้าจิตไม่เป็น ปรำังสุขังว่าเท่าไรก็ว่าทั้งนั้นจนอกแตกก็แตกทิ้งเฉยๆไม่ได้ไม่ได้เป็นความจริงเหมือนอย่างที่ผู้เป็นความจริงทรงเต็มตัวอยู่แล้วเช่นพระสารทนั่นนี่มันต่างกันอย่างนี้อันนี้สิโลกไม่เห็นเนี่ยโลกไม่รู้โลกไม่เห็นโลกไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์โลกจะไปมีใจใจมีความพอใจได้ไง ถ้าไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นและสาวกท่านผู้ทรงรู้ทรงผู้รู้ผู้เห็นมาแล้วจนก้าวเข้าไปข้าวเข้าไปตามสายทางแห่งความสงบเย็นใจเลื่อยเข้าไปตั้งแต่ขั้นสมาธิเป็นขั้นขั้นปัญญาเป็นภูมิภูมิเข้าไปเข้าไปก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดที่พอตัวแล้วเท่านั้นทีนี่หายสงสัยโดยประการทั้งปวงในสามแดนโลกฐานอะไรจะเป็นคู่แข่ง เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงขั้นพอตัวแล้วจึงปล่อยวางโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่น่าอะไรเสียดายเลยเพราะไม่เหมือนอันนั้นทว่าเลิศ ก, ก็เลิกก็เลิศในขั้นสมมติต่างหากอันนั้นเป็นหลักธรรมชาติของมิมุติเสกไม่เสกก็รู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะวางไงนั่นและโลกไม่เห็นอันนี้โลกไม่รู้มันก็รู้ยิงแต่วงน อ, งนอก ที่เป็นฟืนเป็นไฟนี่รู้ปรู้อยู่กับกิเลสที่เป็นเจ้าอานาจครอบหัวไว้เสียมีอะไรขึ้นมาก็ไม่พ้นที่กิเลสจะเป็นผู้ไปแบ่งสรนตันส่วนไม่เป็นเจ้าของไปบีบไปไ ป, ไปรีดไปไถ่เอาจนได้ให้เกิดทุกข์ขึ้นมานั่นทะั้งเพราะนั้นโลกนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ว่าสุขนีตรงไหนนั่นแหะทุกข์มีอยู่ตรงนั้นแน่นอนแน่นอนไม่เว้นถ้าไม่ใช่บรมมาสุขแล้วไม่เว้นทั้งนั้น แล้วเราตายใจที่ตรงไหนพินาสเเมื่อมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเคยเป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมถ้าไม่ถอนกิจออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วจะไม่รู้ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของมาดั้งเดิมแล้วว่าเป็นอันหนึ่งต่างหากจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์เปี่ ว, วิมุตติกิจนี้นไม่รู้ พูดถึงเรื่องความละเอียดจริงว่าละเอียดเอาสุดสุดละเอียดไม่มีใครที่จะไปคาดธรรมชาติอันนี้ได้เลยนอกจากผู้ที่รู้แล้วเห็นแล้วทรงไว้แล้วท่านคาดไม่คาดก็เป็นหลักธรรมชาติจะแยกยยกแยกหรือแยกแยกกแยกหรือแยบออกมาอะไรมันก็ไม่ใช่นั้นเสี ย, ยแต่จำเป็นโลกมีสมมุติก็ต้องให้มีทั้งๆที่มันไม่เหมือนมันไม่เป็นอย่างนั้น ก็ต้องยกขึ้นพอเป็นข้อเทียบเคียงอย่างที่ท่านว่านิพานนิพานเนี่เพราว่านิพานศูนย์ศูนย์ยังไงหรือนิพานเบรนบรมสุบริบรมสุยังไงมันจะรู้ได้ไงถ้าจิตไม่เป็นนิพานจิตบริสุทธิ์เป็นยังไงถ้าจิตนิบริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่รู้ความบริสุทธิ์สิพอถึงขั้นนั้นแล้วไม่บอกก็รู้นั่นแหละมีอันเดียวเท่านั้นแต่มันไม่ไม่ไม่ได้เป็นว่าคําว่ามีมีเหมือนอย่าง โลกสมมูลนี่อีกและเนี่ยคำว่าว่ามีอันนั้นมันไม่ได้อยู่ในท่ามกลางแห่งความมีจริงๆดังโลกสมมูิไม่ได้มีอยู่ในความศูนย์ดังโลกสมมูิกันอีกนะมีอยู่ในสถานที่โลกเอื้อมไม่ถึงนั่นเองปุ่นง่ายๆมันเต็มไม่เต็มเหม่อก็คือ น, นั่นถ้าอยากจะรู้ถ้าอยากจะเห็นนี้เป็นยังไงก็ทําใจของของให้มันถึงขั้นอย่านนี้จะไปถามใครพอเจอเขา อ, อะไรก็น้องอ้อก็มาตันที อ๋อเป็นอย่างนี้เหลอเอท่านั้นเองมีพระเขายิงมากยิงไม่ขึ้นม า, มาประกาศให้ขยับขยายก็อมันขยับขยายจนเต็มมัดเต็มมัดอย่างนี้แล้วเรื่องไอ้เนี่ยพวกกระถอมพวกกระเทียมอะไรต่ออะไรเอามากินหัวสมกันอยู่ในครัวนี้ในในี้อยาเอามาเป็นอ่งขันนะมันขวางตาเราเหลือเกินมันกลัวตายหรือเปล มันเป็นยังไงมาให้หนักใจทําไมเห็นแก่ปากแก่ท้องเพียงเท่านี้นี่นะนี่เคยพูดนั่นอยู่เสมอนู้นะเอไปค้นอเอากระเทียมจากข้างในมาเป็นพาละปลาปัาปางเอาจริงๆนะอืเอาจริ ง, ร ง, นะ เ, อรงเอาจังถ้าเป็นของอย่างนี้เอาจริงหัวสูงกันเลยอย่างจริงอย่าง จ, งจังมากทีเดียวความเพียนไม่เป็นท่ามันทุเล็นะเรานะก็เคยพูดให้ฟังอยู่แล้วของครูว่าอาจารย์เองท่านก็ไม่เคยเราอยู่กับท่านไม่เห็น นี่มีอะไรเราเองก็ไม่เคยสนใจฟาดอย่างนี้ไม่อกดข้าวจนจะก้าวขาไม่ออกก็ไม่เคยสนใจกับสิ่งข่านี้นะนี่อะไรข้าวกิกนอยู่นั้นทาไมมันถึงไปสนใจนักหนานั่นทําให้หนักหัวใจนะหนักหัว อ, อกนั่งมองเห็นภานี้เป็นเป็ น, ปนแต่ไม่พูดนี่เมื่อวานนี่เห็นเด็กไปขนหันากระเทียมมานั่นสิเหตุที่มันจะจะเทือนหัวใจนี่ขนไปไหนนี่อะทั้ง หัวกรทั้งหัวเทียมทั้งพริกทั้งอะไรมาจเจอาไปนี่ไปกี่ครนี่ก็หนับฉันตอนบาอ่ายเอาไปทำไมเอาคืนว่ะไล่กลับคืนนั้นเดียวคันนี้ต่อไปยายุ่งนะไข่หัวหอมหัวกระเทียมอะไรนี่มันมันโอย้ยอะไรพูดไม่ถูกนะทำให้อ่อนไปหมดในหัวใจเราไอ้พระอัวตายนี่มันอะไรกัน ความอดในสิ่งวันนี้ถ้าเราไม่เคยอดเราไม่ว่านะ่ะนี่เคยมาก่อนหมูขั้นนั่นหมูื่อนที่มาอยู่กับผมนี่ผมเคยมาก่อนทั้งนั้นว่างไงมันเป็นยังไงเราก็รู้ดีก็เราทํามาอยู่แล้วนี่จะเป็นจะตายรูมถ้าไม่ใช่จิตเป็นความกังวลวุ่นวายกับสิ่งว่า น, นี้มันจะเป็นไปให้ถึงกับต้องเป็นภาระอะไรยินมันแล้วมันจะตากก็ตายสิว่างนั้นคําเดียวทั้นั้นหมดเลยไม่มีทางที่จะมาคัดค้านเราไดนะ้ถ้าทํา เด็ดออกแล้วอันนี้มีตะกี้เลดมันเด็ดออกแล้สิมันเด็ดทําเด็ดตามกลัวจะตายกลัวจะตายไม่ได้น้าดหลังอะไรเรื่องน้ำป่อยน้ำตาลของกันทําง ม, มันหมดแล้วจะไปหาซื้อหาหาบุ่นวายมามันมีเราวก็ฉันตามเรื่องมันนี่จะทําทให้เป็นภาระกังวลวุ่นวายมันจะมาสร้างภาระอันใหญ่ขึอยู่ผมไม่เคยมีนะักอย่างนี้แล้วมันจะมามีทับหัวผมอีกนี่ผมนําหมู่เพื่อน นำหมู่เพื่อนมาโดยลำดับลำดาผมไม่เคยยุ่งกับเรื่องเหล่านี้แล้วหมู่เพื่อนก็จะมาเอาอะไรขึ้นมาอีกมาทับหัวอกผมอีกเรื่องเหล่านี้กังวลกับเรื่องดูเรื่องกินตอนเท่าก็กินตอนบ่ายก็กินยุ่งไปตั้งแต่เรื่องการกินมันเรื่องอะไรมันอดคิดไม่ได้นะเพราะเรื่องของการฆ่ากิเลสมันละเอียดยิ่งกว่านี้ไปอีกมากมายกว่ากองเพียงเท่านี้มันมันฟัดมันเบี่ยงมันอดมันกั้นกันไม่ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงนี่ยอันที่สําคัญที่สุด มันทำให้สะดุดใจยุ่มไม่หยุดนี่ น, น, นี่ล่อนลอนหาหลักหาเกนฑ์ไมได้ทำยังไงยิ่งม่ตตวิจาร์ก็หมู่เพื่อนอายุขยิ่งแก่เข้าไปถาดขันก็ลดลงลดลงเวลาลุกเดี๋ยวนี้ได้เป็นภาระ น, นะตั้งท่าลุกแล้วนะ่อายุขนาดนี้ปีนี้เริ่มรู้ชัด เวลาจะลุกจะตั้งท่าแต่กว่าไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งทับขึ้นเลยอย่างนี้รู้ชัดว่าได้ตั้งท่าจะลุกไม่อย่างนั้นมันลุกไม่ขึ้นลุกนี้ไม่ขึ้นนี่เป็นยังไงแล้วดูผ้าดูดเนินที่มาอยู่นี่กว่าหลายปีแล้วเดือนแทนที่จะเป็นหน้าเป็นหลังมันก็กลับมีแต่ผลลกลงมาลงมาก็ยิ่งเข้าเข้ามาตีหัวอกผมมันแตกกระจายไปโดยลําดัแบอบืมันดูมันไม่ น่าจะเป็นอนุโมทนาให้เป็นที่เบาโอกเบาใจสมกับเทศสอนด้วยไม่มีอะไรเหลือภายในหัวอกนี่เลยนะนำออกมาเทศฟังสิจนไม่มีอะไรเหลือแล้วผลเป็นยังไงเป็นยังไงกิเลสแหลมคมไหมเจ็งไหมอินาดีนั่นออกมาตีสลาดได้สบายสบายไม่มีจะทกสะท้านกับอัดกับทำอะไรเลยอินาดี มันเก่งไหมพี่เดชแหลมไหมละเอียดไหมมันมาตีสลัดในวงภาคปฏิบัติที่จะฆ่ามันอยู่แล้วนั่นยังไม่รู้ว่ามันฆ่าแล้วเร า, เราทําลายเราอยู่ตลเวลามีความเคลื่อนไหวภายในภายนอกมันบอกอยู่ชัดเจนทีเดียวไม่เทนนานน้่ผมก็อ่อนใจตะนาทวนนี่มันเป็นไงมันทําให้โหดให้หู นกเป็นพวกมันนะพวกเพื่อนมายิงไหลมาไหลมาให้แบกให้หามด้วยนี่ตามมาอาศัยของกระดังที่เคยพูดนะอยู่คนเดียวเท่านั้นเหมอแล้วนะนี้ก็ทนน้อยใจนี่แก่คนญาติโยมพาเนีนมาเกี่ยวข้องทนแสนทนนะผมไม่ได้ยินดีกับอะไรนี่นันเพียงอาศัยวันหนึ่งวันแล้วอยู่ในลําโดยลําพังเจู่ของเพียงขันห้านี้มันพอเหมาะแล้วพยุงกันกับเพียงห้าขันห้า แล้วอื่นมาอีกมาแบกมาหามีา ก, ก็ยิ่งหนักเข้าหนักเข้าเหมือนกับว่าตายง่ายเข้าไปนะคุน ง, ง่ายเหนื่อยเริ่มต้นๆนี่นะบินทบัตรก็ดีบินธบัตรให้ทําความทั้งรวมนะนี่เคยพูดแล้วนะแล้วมองไปอย่าให้มันสะดุดตานะบินทบัตรหาความทั้งรวมไม่ได้นี่เร็วที่สุดพระกรรมฐ า, านเราดูอะไรดูแต่ในบาท ดูกันเลยเธอไปทําไมเธอหาอะไรพินาสิท่านสอนว่าไงบินบาตลรับบาตท่านสอนว่าไงฉันอาหารทัานสอนว่าไงมีความสาคัญอยู่ในบาทเท่านั้นนั่นบังทีเขามาเสีบาทกับพินาเป็นธรรมถ้าจะแยกไปทางไหนก็แยกทําว่าแยกเป็นธาตุกับธาตุจะแยกไปทางไหนได้ทั้งนั้นพบ เป็นทำรอบตัวอยู่แล้วถ้าเราจะนํามาใชา้ไม่กี่เดอเอาไปกินหมดตัวเราเองก็เป็นอะไรไปมันเป็นของวิเศษวิสโสไปจางไหนอันก้อนธาตุสีดีนนนองไฟซึ่งเป็นปราชาผีดิบเนี่ยมันเอาอะไรมาวิเศษวิสโสยูน่นี่แล้วอันผู้สิ่งที่มาเกี่ยวข้องผู้มาเกี่ยวข้องเรามันเอาอะไรมาวิเศษวิสโสต่างจากของที่มีอยู่ของเราไปละ่ะพอที่จะตื่นจะเต้นเป็นบ้าไปมันพี่นานี่นี่มันเป็นสิ่งที่พีนาได้ชัดชอยู่นี่เห็นอยู่ชัด ถ้าจิตอยู่กับตัวแล้วมันจะกระจายของมันออกจริงมันไม่เคยรู้มันจะรู้มันจะเห็นมันจะเบิกของตัวของมันออกไปถ้าจิตอยู่ตรงนี้นะอันนี้มันเถื่ออยู่ข้างนอกมันไม่มาสนใจกับความจริงหน่อยมันก็ไม่เห็นที่ความจริงมีจะทับหัวแตกมันถ้าเป็นสิ่งที่ทับหัวแตกมันก็ไม่เห็นแตกแต่หัวสิ่งที่มาทับไม่เห็นสิ่งที่มาตีไม่เห็นจะว่าไงของจริงอะตีลงไปมันก็ไม่เห็นเพราะยิเลตปิดไว้หมดไม่เห็นนั่นความลืมตัวปิดไว้หมด ไม่เห็นไม่งั้นนะหมดไปหมดไปคุณบาปตจมีแต่แสงแสงก็ไปเลยแสงหน้าแสงหลังหนึ่งพ่อแม่หูฉันว่าผมไม่รู้ได้ออกมาเขียนในประวัติท่านเวลาจีนรวมเพิบลงไปดูผ้าดูเนยนั่นแหละแสงหน้าแสงหลังลุกรี่ลุกหลน่นท่านว่า กำหนดดูแลผู้ที่เดินตามหลังมีมีน้อยหน่อยเดินตามหลังด้วยความสงบเสงี่ยม ง, งามตามีน้อยมากท่านาอันที่วิ่งแสงหน้าแสงหลังมันนี่ลูกลี้ลุกหลนมากต่อมากมากําหนดพิจามันเป็นเพราะอะไรจึงต้องเป็นอย่างนี้มันก็ได้ความขหมาเลยโอ้ที่แสงหน้าแสงหลังคือพวกที่อวดยีอวดเด่นพวกขายก่อนซื้อ ลูกที่เดินตามหลังก็คือลูกศิษย์มีครูนาเนินตามครูตามหลักทมหลักวินยัยนันก็งามตานี่มีน้อยทาน่รเอาว่าพารนาเลยลท่านไม่มีอะไรเลยนะพ่อแม่ครูฉัจ น, นั้นอยู่แต่ในป่าเป็นประจำนะจนกระทั่งวันท่านนิพพาน ท่นอยู่แตในป่าเป็นประจำบพูดมีแต่เรื่องอันเรื่องทำทั้งนั้นรื่นเริงรือว่าอบอุ่นอยู่กับท่านอบอุ่นซึ่งทุกอย่างเลยอยู่กัท่านบุเป็นธรรมอะไรมีมากมีน้อยไม่ได้สนใจให้อียาบทเป็นไปด้วยความสม่าเสมอเท่านั้นเป็นที่พอกับธาตุขาดของท่านแล้ว ห้ามงเย็นท่านก็นลงเดินยังคมเริ่มขนาดนี้ท่านถึงจะขึ้นท่านเดินวันหนึ่งวันข้างหนึ่งหนึ่งโอ้ได้ทั้งชั่วโมงนะชั่วโมงกว่านะั่นคนเราดูอยู่นี่เวลาท่านเดินท่านเป็นคนจริงจังมีสัจจะความจริงเป็นประจําองคนะ์ท่านะทําอะไรท่านจริงจังไปตามนั้นไม่ล้มไม่เหลวถึงเวลาจะเดินยังกคมเ่เตรียมท่านลงเดย ตอนช้าวพอออกจากที่แล้วก็เข้าทางกรมถ้าเดินไปจัดที่จัดอะไรอะไรเรียบร้อยแล้วก็ต่างองค์ต่างเดินยังกรมตัดที่ควบที่ฉันอะไรเรียบร้อยแล้วก็ต่างองค์ก็ต่างถ้าเดินยังกรมได้เวลาแล้วค่อยเพิงจะมารวมกันไปบินธบัตินี่ปฏิบัติทาของพ่อแม่จารณาดำเนินก่อนบินธบัติได้เดินยังกรมแก่อน สำหรับเราก็เราก็ทำของเรายิางเป็นประจันแต่ไหนอะไรามาแล้วเราก็ทำตามกำลังของเราทานเช่าแล้วก็ลงจากกุฏิแล้วก็ไปเดินยังข่มในป่าดูได้เวลาจะพอแล้วก็มานอกจากมีธุระอะไรที่ควรจะมาไม่ได้เดินยังข่มอย่างนั้นก็มาตามเหตุการณ์อนั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เดินยังข่มแล้วก่อน มาก็กราบพระฉันแล้วก็ออกเดิน <ST S 1> <ST> S> <S เดินก็เดินอย่างข้มไปวินนบานเพราะงั้จึงไม่ให้ใครไปยุ่งกับเราเราไปคนเดียวเราเหมาะเหมาะพอดีจริงเดินไปกําหนดพิจารณาเลยมีร้อยแปดพันประการที่จะเป็นขึ้นภายในจิตใจใครไปรู้ได้เห็นได้ในความเป็นของเราอเพราะจึงไม่ให้มีอะไรไปยุ่งเราบางทีก็กําหนดในเงื่อนธรรมต่างๆ ทำนั้นมีความนึกตื้นอย่างละือียดแค่ไหนมันจะวิ่งตามกันปั๊บๆๆพรพอเข้าใจแล้วปล่อยปล่อยนี่ปั๊บจับนั่นปุ๊บพิจารณาเไยแต่ก่อนมันเป็นเรื่องของภาวนาฆ่ากิเลสทุกวันมันจะเป็นเพราะความเท่าความแก่หรืออะไรมันไม่ไปแบบนั้นมันไปแบบพิจารณาเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องตื่นอยากหรืออยากของทำบทต่างๆแง่ต่างๆเนี่ยไปเห็นไปเจออะไรก็ไปนี่มั น, นัเป็นนั้งมันนั่นแหละ อสติมันเป็นหลักธรรมชาติลองดูสิเห็นเจออะไรก็ไปนี่มันจะไม่สะดุดยังไงมันต้องสะดุดได้ยินอะลรสะดุดเพราะสติอยู่กับตัวเป็นเจ้าของรักษาบ้านเฝ้าบ้านอยูน่นี่มันจะไปเธอเธอมอ ง, มอ ง, มองเลื่เผอสติไปไหนเหมือนคนผีบ้านนั่นสติอยู่กับตัวสัมผัสอะไรปั๊บ มันเป็นเรื่องความเหมือนกับว่าความจงใจเพราะสติมันอยู่ในนั่นรู้รู้รู้มองไปรู้กลับที่ความรู้อยู่กับเจ้าของนี่มันไม่ได้เผลอถ้าลงมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วมันเปลีย่ยนั้นมันเป็นก็ใครก็รู้เองนี่นะคําว่าเผลอเอามาจากไห น, นคําว่าเผลอไม่เผลอไม่เรื่องของสมมติต่างหากนะีหลักธรรมชาตินั้นมันอยู่กับตัวพูดไม่ถูกก็ตามแต่มันรู้อยู่ถูกถูกที่ว่างไง ชัดๆกไปในหัวใจนี่ที่จะมาชาติเปลี่ยนนี้อขอให้เขียม่ได้เข้าถึงนี่มันจะเป็นยังไงมันยอมเองยอมพระพุทธเจ้ายอมภาษาวกท่านขอมันเป็นอันเดียวกันมันจะเป็นอื่นมาจากไหนเพราะพุทธเจ้าสอนลงเพื่อความเป็นอันนั้นนี่นะสอนสาวกไม่ให้แยกทางออกจากศาสดาว่าไปตรงไหนไปวิเศษวิสูอยู่ที่ตรงไหนเอามาแข่งศาสดานี่ไม่เคยมีสอนลงจุดเดียวกันมีวงอายะสัตเป็นกำแพงกั้นเอาไว้ เอาก้าวลงไปพิจารณาลไปในวงอายาสตรความบริสุทธิ์จันไม่นอกเหนือนจากวงอายาสตรนี้เล ย, เ, ยเมื่อถึงขั้นแล้วความเห็นทุกสิ่งทุกอย่า ง, างมันจะเต็มอยู่ในนั้นหมดเลยเหมือนที่เรียว่าจิตเป็นของที่ละเอียดเอามากที่สุดใครคํานวณไม่ได้คํานึงไม่ได้คาดคะเนไม่ได้เลยเรื่องของจิตเนี่ยไม่อยู่ในความคาดธนาคาดคะเนความเดาของใครทั้งนั้นเห็นไหมลูกคงเข้าของนั่นพี นันไม่งั้นที่ว่าเลยโลกเลยลังสารได้ไงเนื้อโลกเหนือลงสารนด้ไมันไม่มีเะไรเป็นขอบเขตของกิตรธรรมชาตินั้นมันเป็นธรรมชาติของตัวเองของตัวเองครับรู้อยู่นนั้นงานพุทธิย่อทั้งหลายสาวทั้งหลายลก่านดูมันแล้วเราในเพียงตัวเท่าหนูเราจะเอาไปเที่ยวกูเดียวไดไงท่านเป็นยังไงมันยิ่งให้ซึ้งลงไปนะ ทางหน้า่างตาปฏิบัตินั่นนี่น เ, นเขา้าภรษาแล้วประกอบความปเปลี่ยนงานการระอย่ายุ่งชั้นเสร็จแล้รีบล้างรีบเช็ดอะไรแล้วรีบไปอย่ามาเป็นเพื่อนผ่านๆ น, นี่เคยพูดแล้วนะนี้แล้วเบื่อจะตายแนละ้วอืดอาดอืดอาดล้วนี่เหมือนกันเอาละแค่นี้ละนะนะ